ว่ามือที่ไม่เป็นแผลเมื่อจับต้องยาพิษก็ไม่เป็นอันตรายหมายความว่าถ้ามือเป็นแผลนะจับต้องยาพิษเนี่ยจึงจะเกิดโทษอันนี้ก็เป็นอุปมานะอุปมาถึงจิตเนี่ยจิตที่รักษาไว้ดีแม้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้น กับเราก็ไม่เป็นทุกข์จะเป็นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อจิต น, นั้นรักษาไว้ไม่ดีก็คือมีกิเลสหรืออวิชชาไปบีบคั้นครอบงาจิตอย่างนี้ก็เปรียบเหมือนกับมือที่มีแผลยาพิษนี่ก็เปรียบเหมือนกับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่ผ่านเข้ามาในรูปแบบต่างๆเช่นความสูญเสียหรือว่า อาการกระทบกระทั่งความเจ็บป่วยความชราเป็นต้นอันนี้ก็ไม่ต่างจากร่างกายคนเรานะร่างกายคนเราเนี่ยถ้าว่าแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ดีแม้เชื้อโรคเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่เกิดความเจ็บป่วยขึ้นอันที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ไม่ใช่พอม่มีเชื้อ ไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะมันมีเข้ามาตลอดเวลาทางจมูกบ้างทางอาหารบ้างหรือไม่แต่าทางผิวหนังส่วนทังทางปากแต่เราไม่ป่วยเพราะอะไรเนะี่ยเพราะภูิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยเขาทำงานดี ยังมีคนจำนวนไม่น้อยนะเาเรียกว่าหนึ่งในสาของประชากรโลกเนี่ยมีเชื้อวัณโรคนะอยู่ในร่างกายแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ล้มป่วยอะไรมีเพียงส่วนน้อยนะที่ป่วยเป็นวัณโรคที่ไม่ป่วยเนี่ยไม่ใช่เพราะไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะมีแต่ว่าภูมิคุ้มกัน ร, ร่างกายของเรามันแข็งแรงมันก็ เรียกว่าเอาอยู่นะในความเจ็บป่วยชันใดนะในความทุกข์ใจก็ชันนั้นนะความทุกข์ใจเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราแต่เป็นเพราะว่าเราวางใจหรือรักษาใจไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รักษาใจเลยเพูดง่ายคือว่า ที่เราทุกเนี่ยเพราะว่าความยึดติดใจที่มันไปยึดติดกับสิ่งต่างๆหลวงพ่อชาติว่าเนี่ยทุกมีเพราะยึดนะทุกยึดเพราะอยากทุกมีเพราะยึดนะทุกในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงทุกใจเป็นสำคัญใจที่มีความยึดติดเนี่ยก็เรียกว่าใจที่หลงก็เปรียบเหมือนกับมือที่มีแผลมันเป็นใจที่ไม่ปกติมีจุดอ่อน เวลาของหายเนี่ยเราทุกข์เพราะอะไรนะเราทุกข์เพราะว่าใจมันไปยึดติดในสิ่งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเงินหายบางคนทรัพย์สินมีค่าเนี่ยราคาแพงสูญหายไปถูกโกงไป โ, โสกเศร้าเสียใจนะเป็นวันๆบางทีเป็นเดือนเดือนบางทีถึงกับไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนบางทีข้าวก็ไม่กินเรียกว่าตรอมใจเลยนะอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าของหายนะของหายนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งแต่ว่าปัจจัยสำคัญเนี่ยมันเป็นปัจจัยภายใน ปัจจัเป็นอะคือใจที่มันไปยึดเนาะว่าไปยึดในของนั้นไปยึดในสิ่งนั้นนะพอสิ่งนั้นสูญหายไปเสียไปก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเลยมันไม่ใช่แค่หายเดียวนะเสียก็เหมือนกันนะโทรศัพท์เสียหรือว่ารถเสียขึ้นมาเนี่ยก็ทุกข์นะวิตกกังวล ใจที่แท้นีไม่ใช่เพราะการเสียหรือการเสื่อมของสิ่งนั้นแต่เป็นเพราะใจไปยึดยึดว่ามันเที่ยงยึดว่ามันสมบูรณ์พร้อมพอมันแปรปวนก็เลยเสียใจพอมันเสื่อมไปนะก็เลยเป็นทุกข์มันนี้ก็ยึด ว่ามันต้องมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นแต่พอมีน้อยก็ทุกข์รวมทั้งหากมีคนมาวิพาวิจารวิภาวิจารกระเป๋าหรือวิพาวิจารณ์เสื้อผ้าที่สวมใส่วิจารณ์รถนะแล้วก็โกรธนะที่โกรธไม่ใช่เพราะคําวิจารณ์มากเท่ากับเป็นเพราะไปยึดใน ทรัพย์สินเหล่านั้นนะโดยเฉพาะไปยิดว่าเป็นเราไปยิดว่าเป็นเราเนี่ยพอใครพูดกระทบสิ่งนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับกระแทกหรือกระเทือนมาที่ตัวเราด้วยทำไมบางคนเนี่ยเขาเฉยๆ น, น, น, น, นะเวลามีคนมาตำหนิวิาพากข้าวของเครื่องใช้ของเขาเพราะเขาไม่ได้ยึดเนี่ยว่ามันเป็นเรา หรือเป็นของเราเช่นเดียวกับงานการนะตกงานอันนั้นไม่ได้สาเหตุที่ทำให้เราทุกข์นะแต่เพราะเราไปยึดงานนั้นยึดว่ามันเที่ยงหรือว่าเวลาทำงานแล้วคนวิจารณ์งานเราก็โกรธโมโหอันนี้เพราะอะไรนะ พอไปยึดว่างานนั้นคือเราถ้าไปยึดว่างานนั้นคือเราหรือเป็นเราเนี่ยวิจารงานว่าแ yeah ย่ก็เหมือนกับวิจาร์หรือว่าเราว่าแ yeah ย่ฉนั้นหลายคนเนี่ยเวลางานมันล้มเหลวเนี่ยใจก็ล้มเหลวด้วยใจล้มเหลวคือเป็นทุกข์เนียรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลว หลายคนจะรู้สึกแบบนั้นเวลางานล้มเหลวก็สตัวเองนี่ล้มเหลวด้วยนักเขียนนักแสดงหลายคนนี่เสียศูนย์ไปเลยนะเวลามีคนวิพากษ์ผลงานการแสดงหรืองานเขียนของเขาพอไปยึดนะไปกาะเกี่ยวว่างานนั้นคือฉันว่าหรือกระทบงานนั้นก็เหมือนกระทบตัวฉัน ยิ่งถ้าว่าแรงๆเนก็เหมือนก็กระทบตัวฉันแรงๆเสียสูญไปเลยน่าหมดสภาพนาราบบางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายนักเขียบางคนนี่ก็หายหน้าไปเลยเป็น10ปีหรือนักแสดง บ, บางคนก็เหมือนกันเพราะที่หายไปเพราะามันบาดเจ็บเจ็บปวดแล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรกับตัวเขานะแต่ว่าเขาไปคนไปวิจารณ์การแสดงหรือผลงานของเขา แต่ถ้าว่าไม่ยึดนะว่างานนั้นคือเรางานมันจะล้มเหลวนะแต่ว่าใจก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ล้มเหลวตามไปด้วยอย่างที่หลวงพ่อมเขียนท่านเคยพูดเนี่ยงานของท่านล้มเหลวแต่ตัวท่านไม่ล้มเหลวมันคือว่าไม่ทุกขนะ์นยที่ทำงานช่วยเหลือชาวบ้านหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่สำเร็จเลยนะ แต่ว่ามันก็เป็นแค่งานที่ล้มเหลวนะแต่ว่าตัวท่านหรือว่าจิตใจของท่านเนี่ยไม่ได้ล้มเหลวตามไปด้วยที่เพราะไม่ได้ยึดไงมันไม่ใช่ว่าพอ ง, งานล้มเหลวแล้วใจต้องทุกข์เสมอไปนะมันเรียว่าไปยึดหรือเปล่าหรือไปคาดหวังนะว่างานนี้เนี่ยทําแล้วสําเร็จแล้วมันจะมีคนชม แต่พอไม่มีคนชมก็เสียใจก็น้อยใจอันนี้เพราะไปยึดในผลของงานที่จริงมันไปยึดในความคาดหวังในผลของงานคาดหวังว่าจะว่ามันเป็นจะรับคำชมเพราะว่ามันดีเหลือเกิน แต่พอไม่มีคนชมก็หรือไม่มีคนกดไลค์ก็เสียใจไอ้ความทุกเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่ากิริยาของผู้คนนะแ น, นั้นไม่ใช่สาเหตุหลักสาเหตุหลักคือความยึดในงานหรือผลของงานนั้นเช่นเดียวกันนะเจ็บป่วยเนี่ย เจ็บป่วยเนี่ยจริงๆมันก็เป็นความทุกข์กายนะแต่ทำไมส่วนมากเนี่ยใจทุกข์ไปด้วยเนเพราะว่าไปยึดนะักายนี่ว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ยึดนะว่ามันเที่ยงวระนั้นพอมันไม่เที่ยงแล้วก็ไม่เที่ยงในทางที่อ่า เป็นความเสื่อมก็คือความชราก็เลยเป็นทุกข์เนี่ยส่วนคนที่เขาไม่ยึดนะไม่กายนี่ว่ามันเที่ยงหรือว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยถึงเวลามันเสื่อมมันชราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเวลาเจ็บป่วยก็ไม่ได้วิตกกังวลที่จริงนอกจากยึดว่าเที่ยงแล้วเนี่ยหรือยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วมันยัมี การยึดว่ามันเป็นสุขสมบูรณ์พร้อมอย่างร่างกายเนี่ยนะตอนหนุ่มๆ ห, หรือวัยรุ่นเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเรารู้สึกว่ามันแข็งแรงแต่พออายุมากขึ้นเข้าสู่วัยกลางคนหรือวัยชาราก็เห็นถึงว่าเห็นความเปราะบางของร่างกาย พอว่าร่างกายมันเปราะบางเือเกินเดือบปวยโน่นเดือบปวยนีย่แล้วก็ปวดด้วยนะไม่ใช่แค่ปวยอย่างเดียวปวดแข้งปวดขาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไม่ใช่แค่ทุกข์กายนะเพราะยอมรับไม่ได้ความเปราะบางของร่างกายและที่จริงมันไม่ใช่แค่เปราะบางของร่างกายเนาะอะไรต่ออะไรก็เปราะบางไปด้วย เช่น ง, งานการหรือความสัมพันธ์นี่ยพอมีอายุมากขึ้นก็ไม่ได้เห็นว่าร่างกายมันแข็งแรงหรือทุกอย่างนี่มันมั่นคงเข้มแข็งมันเห็นแต่ความเปราะบางที่เกิดขึ้นเริ่มจากร่างกายไอ้ที่เคยไปยึดว่ามันสมบูรณ์พร้อมเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุให้ทุกข์นะ เพราะยอมรับความเปราะบางหรือว่าใอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้ น, น, นกับร่างกายไม่ได้ผลก็คือว่ามันไม่ได้แค่ทุกข์กา ย, ยมันทุกข์ใจด้วยเช่นเดียวกันนะคนเราพ่อถ้าไปยึดติดนะแม้กระทั่งสิ่งนามธรรมาเช่นหน้าตานี่เลวลาใครมาวิพากวิจาร์มาตำหนิก็จะทุกข์เลยนะทั้งที่ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคำพูดแค่คำพูดเท่านั้นแหละหรือลมปากนะแต่ทำไมทาให้หลายคนเนี่ยโกรธแค้นโมโหหรือว่าทุกข์ใจน้อยใจเศร้าโศกเสียใจมากก็เพราะไปยึดนะกับหน้าตาไอ้คำพูดมันไปกระทบเนะี่กับหน้าตา จะให้คนเชิดชูหน้าตาชื่นชมหน้าตาแต่ตรงกันข้ามนมื่อที่เราโกรธเนี่ยนะเวลามีใครพูดไม่ดีเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยก็เพราะเรายึดในหน้าตาแต่คนที่ไม่ยึดในหน้าตาเนี่ยหรือยึดน้อยเนี่ยก็ไม่ทุกข์พูดก็พูดไป ฉันไม่ได้ทุกอะไรมันก็แค่หลงปากเช่นเดียวกันนะเวลาเราไปยึดคนเนี่ยไปยึดคนไปยึดเพื่อนยึดญาติยึดคนรักลูกพ่อแม่ไปยืดเป็นเราเป็นของเรานะพอเขาไม่เป็นไปดั่งใจเราก็ทุกข์เลยเป็นไปดั่งใจเช่นอาจจะไม่เรียน ในสาขาที่เราแนะนำไม่มีอาชีพอย่างที่เราเห็นว่าควรจะมีหรือว่าไปมีแฟนที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่เป็นไปดังใจมันก็เลยทุกข์เลยเสียใจโมโหหรือว่าเขาเขาพูดแล้วเขาไม่ฟังเนี่ยเขาเถียงเนี่ยก็ทุกข์ อันนี้ทุกข์เพราะอะไรเนะี่ยไม่ใช่ทุกข์เพราะเขาไม่ฟังเรานะแต่ทุกข์เพราะเราไปยึดนะว่าเขาต้องฟังเราไปยึดว่าเขาจะต้องเป็นไปดังใจของเราแต่ถ้าเราไม่ไม่ไปยึดนะ เ, ออเราให้อิสระเขาเขาจะไปมีอาชีพอะไรหรือว่าไปคบกับใครเป็นคู่เาก็ไม่ทุกขนะ์ไ เหมือนกับพ่อแม่หลายคนเาก็ไม่ได้ทุกข์อะไรกับการที่ลูกนะไปมีวิธีช่วยของเขาเช่นเดียวกันถ้าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยพอเขาเยแยกทางจากเราเนี่ยเขาไม่คบค้ากับเราแล้วแล้วขอไปมีชีวิตใหม่เนี่ยหลายคนก็โกรธเนี่ยนัก็ทุกข์มากเพราะการอกหัก ถึงกับ่าตัวตายเนี่ยอันนี้ใส่จริงๆเนี่ยมันคือความยึดติดนะยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้ลวมถึงเวลาคนรักจากไปด้วยจะเป็นพ่อแม่จะเป็นลูกจะเป็นเพื่อนก็เศร้าโศกเสียใจคนก็ไปคิดว่าเนี่ยที่เป็นทุกข์นี้เพราะความสูญเสียเพราะการตายของเขา แต่จริงมันไม่ใช่หรอกเป็นเพราะไปยึดมากกว่าไปยึว่าเป็นเป็นเราไปยึดว่าเที่ยงแต่ถ้าไม่ยึดนะไอ้ความตายมันก็ทาให้ความตายของคนที่อยู่ใกล้เราก็ไม่ทำให้เราทุกข์ได้อย่างผู้เจ้าเนี่ยได้ตรัสกับ น, นางากิสากรตมีเนี่ยซึ่งเสียลูกไปเนี่ยไอนางก็เศร้าโศกมาก อเจจาระตั ว, ว่าเนี่ยมรตยูนะย่อมพัดพาผู้ที่หลงไหลในลูกเช่นเดียวกับน้ำป่าย่อมพัดพาผู้หลับหลไปฉชนนั้นอเจ้าัะตัด ว, ว่าเนี่ยความตายเนี่ยมันพัดพาผู้ที่หลงไหลในลูกเนี่ยพัดพาไปไหนพัดพาไปสู่ความทุกข์ คือถ้าเรามองให้ดีก็หมายความว่าก็มีนัยยะอีกนัยยะหนึ่งว่าถ้าไม่ลหลงไหลในลูกนะมรติโยก็ไม่อาจจะพัดพาได้เหมือนน้าป่าเนี่ยก็พัดพาได้แต่เฉพาะผู้ที่หลับไหลแต่ผู้ที่ตื่นแล้วเนี่ยน้ําป่าก็ไม่อาจจะพัดพาได้มรตยโยมันทําความทุกข์ให้กับผู้คนเฉพาะคนที่หลงไหลหรือยึดติดในลูก แต่ถ้าไม่ยึดติดในลูกนี่มันก็ไม่สามารถพัดพาให้เกิดทุกได้นางกีสาวก็มีใครขวนนะเกิดปัญญาบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะพอรู้เลยว่าเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงไม่ใช่ความตายของลูกแต่เป็นเพราะใจที่ไปยึดเอาไว้อันนี้คือสิ่งที่คนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจนะ่เข้าใจว่าทุกเนี่ย เกิดจากความตายของคนรักการสูญเสียคนรักรวมทั้งการสูญเสียทรัพย์คาวิพากษ์วิจารณ์ความเจ็บป่วยพอไปคิดว่าความทุกข์เกิดจากสิ่งเหล่านี้ก็เลยปรารถนาว่าเนี่ยขออย่าให้เจ็บป่วยขออย่าให้ประสบกับความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นของรักหรือคนรักขออย่าให้มีคนมาตาหนิติเตียน ขอให้ไม่มีคําว่าไม่รู้จักคําว่าไม่มีซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องของเหตุการณ์ทั้งนั้นเลยซึ่งอยู่รอบตัวพอเข้าไปคิดว่าเหตุการณ์เหล่านั้นที่เรียกว่าอนิจจารมเนี่ยคือเหตุแห่งทุกแห่งความทุกขโดยเพราะความทุกข์ใจแต่จริงแล้วแห่งความทุกข์ใจเนี่ยก็คือความยึดติดมากกว่าก็ อ, อย่างที่พระเจ้าตรัสนะว่าเนี่ยมือถ้าไม่มีแผลเนี่ย แม้สัมผัสกับยาพิษก็ไม่เป็นอันตรายใจที่ฝึกฝนไว้ดีแล้วนะแม้เจออนิจฐารมนะหรือเจอสิ่งที่คนเรียกว่าทุกข์นะใจก็ไม่เป็นทุกข์แต่ที่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าใจนั้นเนี่ยไม่ได้มีการรักษาไว้ดีนะนะถูกคร่บงนันด้วยวิชาหรือกินเล็ งั้นพอเจอเหตุร้ายเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาหรือเจ็บป่วยหรือรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเจ้าคนเราเนี่เข้าใจนะว่าสมุทัยเนี่ยหรือเหตุแห่งทุกข์ทีฏฐานี่ไม่ใช่เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่อ น, นิฐารลม แต่เป็นเพราะว่าใจที่มันมีความยึดติดก็จะพบว่าเนี่ยอ๋อเหตุแห่งทุกข์ที่แท้อยู่ในใจเราแล้วทำไงถึงจะไม่ทุกข์เนี่ก็ปล่อยหรือวางในสิ่งต่างๆพวกนั้นคือไม่ยึดติดนะอย่างที่หลวงพ่อชางบอกเนี่ยทุกมีเพราะยึดทุกยึดเพราะอยากนะทุกมากเพราะปล่อยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยนะ ปล่อยเมื่อไหร่นะทุกข์ก็หมดไปไม่ใช่ว่าไม่เจ็บไม่ป่วยนะไม่ใช่ว่าไม่สูญเสียไม่ใช่ว่าไม่มีคนมาตําหนิตีเตียนก็ยังเจอยังประสบเหมือนคนทั่วไปเพราะชื่อมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าใจไม่ทุกข์เพราะไม่ยึดฉะนั้นถ้าเราปรารถนาความอิสระจากทุกเนี่ยเดี๋วว่าความทุกข์ใจเนี่ยมันก็ต้องฝึกใจนะให้ปล่อยให้วางหรือว่ายึดติดให้น้อยลง ไม่่าจะเป็นการยึดติดว่ามันเที่ยงยึดว่ามันทุกข์มันสุกยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยการเตือนใจเตือนตนอยู่เสมอในเนะวลาเราไปยึดกับสิ่งต่างๆแม้กระทั่งยึดในความสงบเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ได้เหมือนกันนะแม้ความสงบจะเป็นสิ่งที่ดีนะแต่พอไปยึดเข้าแล้วเนี่ย มันก็เตรียมพร้อมที่จะทุกได้เลยนะเพราะว่าไอความสงบมันก็ไม่เที่ยงพอพิจาาความสงบนั้นเที่ยงหรือพอวิจาความสงบนั้นเป็นสุขสมบูรณ์พร้อมอันนี้เราก็เตรียมใจนะเจอทุกหรือเป็นทุกได้เลย นี่การที่เราเตือนใจอยู่เสมอนะว่าเนี่ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ว่ารูปธรรมนามธรรมหรือที่เรียกว่าสังขารเนี่ยผ่านทั้งห้าเนี่ยมันมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่สามารถยึดว่าว่าเที่ยงไม่สามารถยึดว่าสุขแล้วก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจของเราไม่สามารถจะยึดเป็นเราได้มันก็ช่วยทำให้เราไม่ เผลอยึดมันอย่างเต็มที่นะนก็เริ่มที่จะปล่อยเริ่มที่จะวางแต่ว่าเพลอเมื่ อ, อไหร่มันก็ไปยึดอีกนะนี่พอยุดไปแล้วเนี่ยมันเกิดทุกข์ขึ้นมาเมื่อมีการกระทบเกิดความกโกรธความเศร้าเกิดความวิตกกังวลน้อยเนื้อต่ําใจ แต่สิ่งหนึ่งที่เรายังทําได้นะเมื่ออารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะก็คือไม่ยึดในอารมณ์เหล่านั้นแม้ว่าเราจะไม่มีปัญญาแจ่มชัดจนกระทั่งปล่อยวางสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์นะร่างกายคนรักหน้าตานะหรืองานการได้เนี่ยเราอาจจะไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาถึงขั้นที่จะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้ จงกระทั่งไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นแต่แม้มีความทุกข์เกิดขึ้นในรูปของอารมณ์นะเช่นความโกรธความเศร้านะความคับแคนสิ่งหนึ่งที่เรายังทำได้คือว่าไม่ไปยึดในอารมณ์นั้นไม่ไปยึดได้ได้ยังไงก็มีสติรู้ทันพอรูธ้ทันมันก็ไม่ค่อยไปยึดในอารมณ์นั้นหรือถึงยึดมันก็วางหรือปล่อยได้เร็ว ที่จริงอารมณ์เหล่านี้มันก็ไม่น่ายึดเลยนะมันไม่เหมือนกับทรัพย์สมบัติไม่เหมือนกับคนรักไม่เหมือนกับร่างกายไอ้เหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันยัง ม, มันยังให้ความสุขกับเราได้ก็เลยชวนให้ให้ยึดนะเพราะว่ามันให้ความสุขกับเราแม้จะไม่ได้เป็นความสุขที่สมบูรณ์ก็ตามแต่อารมณ์เนี่ยโกรธเศร้าเกลียด นอนเรื่องตาใจเนี่ยพวนี้มันไม่เห็นหน้ายึดเลยนะเพราะเกิดถ้าไปยึดที่ไรก็ทุกข์นะแต่เราก็ยังเผลอยึดนะใจของเราก็ยังเผลอยึดอันนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันขาดสติแต่ถ้ามีสติทันนะมันก็เห็นนะไม่เข้าไปยึดหรือเข้าไปเป็น หความเขียนท่านย้ำอยู่เสมอนะเห็นอย่าเข้าไปเป็นเข้ไปเป็นก็คือเป็นยึดมั่นเป็นเราความโกรธเป็นเราความเศร้าเป็นเราความน้อยเนื้อต่ำใจเป็นเราความวิตกกังวลเป็นเราถ้าอย่างถ้าเป็นเราเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเห็นมันถอยออกมานีมันก็ไม่เป็นทุกข์อันนี้คือสิ่งที่เราทําได้ ในชาตที่ยังเป็นปุถุชนที่ยังไม่ได้มีปัญญาถึงขั้นที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ว่ามาได้นะแต่น้อยเนี่ยพอมันเกิดอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาในใจเนี่ยก็ไม่ไปยึดก็เป็แล้วเนี่ยคนเราเวลาทุกเนี่ยนะเมื่อเกิดเหตุร้ายต่างๆที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็ว่าเราไปยึดสองอย่างนะกดยึดทรัพสมบัติยึดคนรักยึดงานการ ทำไไม่พอเราก็ยังไปยึดอารมณ์ที่เกิดเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นนะกับสิ่งเหล่านั้นด้วยถึงแม้เรายังปล่อยวางทรัพย์สมบัติงานการคนรักยังไม่ค่อยได้นะแต่อย่างน้อยนี่ก็ต้องรู้จักนะวางปล่อย อ, อารมณ์ทีอออ่อารมณ์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นล้าฝึกไว้นะถ้าเรา ฝึกปล่อยวางอารมณ์เหล่านี้ด้วยสติซึ่งกหมายถึงการที่เรานะรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ต่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเมื่อเราฝึกปล่อยอารมณ์เหล่านี้วางอารมณ์เหล่านี้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้ น, น, นต่อไปเราก็จะเกิดปัญญามากพอที่จะปล่อยวางในสิ่งที่มันเคยให้ความสุขกับเราและที่เราหลงว่าเป็นเราเป็นของเราได้มันต้องเริ่มต้นมาที่รู้จักนะ มีสติรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นต่อไปมันก็จะรู้ทันเห็นความจริงของกายและใจและของสรรพสิ่งจนกระทั่งรู้ว่ามันไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นได้ฝึกเอาไวน้นะฝึกเอาไวน้นะมาดูใจของเรารู้ทันใจของเรารู้ทันความขี้อารมณ์แล้วมันจะเป็นเบื้องต้นนะของการที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆจนทาให้เราไกลจากความทุกข์